ลำดับนั้นทศกกะเทวราชจึงตรัสว่าข้าพเจ้าละสมบัติในเทวโลกอันมีความสุขเป็นบรรทัดฐานมีประการต่างๆมาสู่มนุษยยโลกเพื่อต้องการจะรักษาศีลเพราะฉะนั้นศีลของข้าพเจ้าจึงมากกว่าดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลใดละขาดการเล่นการยินดีในกามได้ทั้งหมด ไม่พูดเลาะแหละแม้น้อยหนึ่งในโลกเว้นจากเมถุนเว้นจากการตกแต่งร่างกายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีนักปราดทั้งหลายเรียกคนนั้นแลว่าผู้สงบในโลกบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าการเล่นขิดดังได้แก่การเล่นทางกายและการพูดเล่นทางวาจาคาว่าการยินดีระติงได้แก่ ความยินดีในการมคุณอันเป็นทิพย์คำว่าน้อยหนึ่งกินจิได้แก่แม้มีประมาณน้อยคำว่าจากการตกแต่งร่างกายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีวิภูสนัฐานาความว่าการตกแต่งมีสองอย่างคือการตกแต่งเนื้อหนึ่งการตกแต่งผิวหนังหนึ่งในการตกแต่งสองอย่างนั้น อาหารที่กลืนกินเข้าไปชื่อว่าการตกแต่งเนื้อการตกแต่งด้วยมาลาและเครื่องหอมเป็นต้นชื่อว่าการตกแต่งผิวหนังบุคคลยินดีด้วยอกุศลจิตใดอกุศลจิตนั้นชื่อว่าฐานะแห่งคำนั้นบุคคลเว้นขาดจากฐานะนั้นคำว่าจากเมถุนเมทุนัสมาความว่า บุคคลใดเว้นขาดจากการซ่องเศพเมถุนนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกคนนั้นแล ว, ว่าผู้สงบในโลกก็วันนี้เราละนางเทพอับสรนทั้งหลายมาในมนุษยโลกนี้ทมสมณธรร ม, ม, รรมเพราะฉะนั้นศีลของเราจึงมากกว่าแม้เท้าสักกะเทวราชก็ย่อมทรงสรรเสริญศีลของพระองค์เท่านั้นด้วยประการนี้ พระเจ้าธนันชัยได้ทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าวันนี้ข้าพเจ้าละราชสมบัติที่ห่วงแหนเป็นอันมากและพระราชวังที่พรั่งพร้อมด้วยเหล่ายิงนักฟ้อนหนึ่งหมื่นหกพันคนมาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในพระราชอุทยานนี้เพราะฉะนั้นศีลของข้าพเจ้าจึงมากกว่าดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่า นรชนใดแลกำหนดรู้วัตถุที่พึงหวงแหนและธรรมคือความโลภด้วยปริญญาแล้วสละวัตถุที่หวงแหนและสภาพธรรมคือความโลภทั้งปวงได้เด็ดขาดนักปราดทั้งหลายเรียกนรชนนั้นแหลผู้ฝึกตนแล้วมีตนอันมั่นคงปราศจากตัณหาเป็นเหตุยึดถือว่าของเราหมดความหวัง ว่าผู้สงบในโลกบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าวัตถุที่พึงหวงแหนปริหังได้แก่วัตถุกรามมีประการต่างๆคำว่าธรรมคือความโลภโลภธรรมมังได้แก่ตัญหาที่เกิดขึ้นในเพราะวัตถุกรามนั้นคำว่ากำหนดรู้ด้วยปริญญาแล้วปริญญายะ ความว่ากําหนดรู้ด้วยปริญญาสามเหล่านี้คือยาตะปริญญาตีรณปริญญาปหาณปริญญาในบรรดาปริญญาสามอย่างนั้นการรู้สภาวะแห่งขันเป็นต้นชื่อว่ายาตะปริญญากิริยาที่ใคร่ครวนพิจารณาเห็นโทษในขันทั้งหลายชื่อว่าตีรณปริญญา ทิริยาที่เห็นโทษในขันเหล่านั้นแล้วรากความติดอยู่ด้วยอำนาจความพอใจชื่อว่าปหาณะปริญญาตนเหล่าใดกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามเหล่านี้แล้วสละละทิ้งวัตถุกามและกิเลสกามไปอยู่คำว่าผู้ฝึกตนแล้วทันตังได้แก่ผู้หมดพยศแล้วคำว่ามีตนอันมั่นคง ทิตตังได้แก่มีสภาวะตั้งอยู่โดยความไม่มีแห่งมิชาวิตกคำว่าปราศจากตัญหาเป็นเหตุยึดถือว่าของเราอมมะมังได้แก่ผู้เว้นจากตัญหาเป็นเหตุยึดถือว่าของเราคำว่าหมดความหวังนิราสังได้แก่มีจิตหมดความห่วงใยด้วยบุตรและภรรยาเป็นต้น คำว่านรช น, นั้นแหลตังเวนรังความว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมเรียกบุคคลเห็นปานนั้นว่าผู้สงบดังนี้ดังนั้นพระราชาทั้งสี่พระองค์นั้นต่างสรรเสริญศีลของตนของตนเท่านั้นว่ามีมากกว่าดังนี้แล้วจึงตรัสถามพระเจ้าธ น, นชัยว่ามหาราชเจ้า ก็ใครๆเป็นบัณฑิตในสำนักของพระองค์ที่จะพึงบันเทาความสงสัยของพวกเรามีอยู่หรือพระเจ้าธ น, นชัยตรัสตอบว่ามีอยู่มหาราชเจ้าคือวิทุระบัณฑิตผู้ดำรงตำแหน่งอัฏฐธรรมานุศาสตร์เป็นผู้ทรงปัญญาหาผู้เสมอเหมือนมิได้จากบันเทาความสงสัยของพวกเราได้ พวกเราจงพากันไปยังสำนักของวิธุระบัณฑิตนั้นเถิดพระราชาทั้งสามพระองค์นั้นทรงรับคำพร้อมกันแล้วลำดับนั้นพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดพากันเสด็จออกจากพระราชอุทยานไปสู่โรงธรรมสภารับสั่งให้ประดับธรรมมาตรเชิญพระโพธิสัตว์ให้นั่งณท่นะามกลางบัลลังก์อันประเสริฐ ท, ทำปฏิสันฐานแล้ว ระทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ตรัสว่าแน่ท่านบัณฑิตความสงสัยเกิดขึ้นแก่พวกเราขอท่านจงบรรเทาความสงสัยนั้นเถิดดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอถามบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่ต่ำสามการโตเถียงกันในเรื่องศีลได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอท่านได้โปรดตัดความสงสัยคือวิจิกิจฉาทั้งหลายให้ในวันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งปวงพึงข้ามพ้นความสงสัยได้ในวันนี้เพราะท่านบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าบัณดิตกัตตารังได้แก่ท่านผู้สามารถทราบเหตุและไม่ใช่เหตุอันได้แก่เหตุที่ควรทำและไม่ควรทำข้อว่าการโตเถียงได้เกิดมี วิคขโหอัติชาโตความว่าการกล่าวขัดแย้งกันในเรื่องศีลคือการโตเถียงกันในเรื่องศีลเรื่องหนึ่งเกิดมีขึ้นแล้วคำว่าโปรดตัดในวันนี้ชินทัตชะความว่าวันนี้ท่านจงตัดความสงสัยคือความลังเลใจนั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนเท้าสักกะเทวราชทรงตัดยอดเขาสิเนรุ ด้วยวชิราวุฒิฉนั้นคำว่าพึงข้ามพน้นวิตเรมุได้แก่พวกข้าพเจ้าพึงข้ามไปได้ลาดับนั้นวิทุระบันดิตได้สดับพระกระแสรับสั่งของพระราชาทั้งสี่พระองค์นั้นจึงทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเรื่องโต้เถียงกันที่อาศัยศีลของพระองค์ทั้งหลายเกิดแล้วนั้น ข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรว่าพระกระแสรับสั่งนั้นเช่นไรผิดเช่นไรถูกแล้วจึงกล่าวคาถานี้ว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้ที่เห็นข้อความแต่จะตัดสินความด้วยอุบายอันแยบคายได้ในเวลาเมื่อโจท์และจำเลยบอกข้อที่พิพาทกันให้ตลอดข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งถวยราดข้าพระองค์ขอพระวโรกาส บัณฑิตผู้ฉลาดทั้งหลายเมื่อโจท์และจำเลยไม่บอกข้อความให้แจ้งจะพึงตัดสินพิจารณาข้อความนั้นได้อย่างไรเหตุนั้นขอพระองค์ตรัสเล่าข้อความให้ข้าพระองค์ทราบก่อนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ที่เห็นข้อความอัฏทัศนาได้แก่ผู้สามารถเพื่อเห็นข้อความ คำว่าในเวลาตัถธกาเลความว่าในการที่โจดและจำเลยบอกข้อความที่ทะเละกันนั้นจึงเป็นการที่สมควรบัณฑิตทั้งหลายเมื่อบอกข้อความนั้นย่อมกล่าวโดยแยบคายข้อว่าบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งหลายจะพึงตัดสินพิจารณาข้อความนั้นอัตถังเนยุงกุศลาความว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งทวยราชบัณฑิตทั้งหลายแม้เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมเมื่อโจทย์และจำเลยไม่บอกข้อความให้แจ้งชัดจะพึงพิจารณาข้อความนั้นได้อย่างไรวิทุรบัณฑิตเรียกพระราชาทั้งหลายว่าผู้เป็นจอมแห่งทวยราชชนินทะเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงตรัสข้อความนี้ให้ข้าพเจ้าทราบก่อน พระมหาศั์ทูลต่อไปว่าพญานาคตรัสว่าอย่างไรพญาครุฑตรัสว่าอย่างไรเท้าสักกะเทวราชตรัสว่าอย่างไรส่วนมหาราชเจ้าผู้เป็นจอมแห่งชาวกุรุรัตตรัสว่าอย่างไรบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าคันธั พ, พราชาเท้าสักกะเทวราชวิธุระบัณฑิตกล่าวไม้เอาเท้าสักกะเทวราช ลำดับนั้นพระราชาทั้งสี่พระองค์นั้นตรัสพระคาถาต่อพระมหาสัตตน์นว่าพญานาคย่อมทรงสรรเสริญอธิวาสนาขันติกล่าวคือความไม่โกรธในบุคคลแม้ผู้ควรโกรธพญาครุษย่อมทรงสรนเสริญการไม่ทําความชั่วเพราะเหตุแห่งอาหารกล่าวคือบริโภคอาหารแต่น้อย ท้าสักกะเทวราชทรงสันเสริญการละความยินดีในกามาคุณห้าพระเจ้ากุรุรัตทรงสันเสริญความไม่มีกังวลพึงทราบเนื้อความของคำอันเป็นคาถานั้นดังต่อไปนี้ว่าแน่บันดิตพญานาคทรงสันเสริญอธิวาสนะขันติกล่าวคือการไม่โกรธในบุคคลแม้ผู้ควรโกรธ พยาครุตทรงสันเสริญการไม่ทำความชั่วเพราะเหตุแห่งอาหารกล่าวคือการบริโภคอาหารน้อยเท้าสักกะเทวราชทรงสันเสริญการละความยินดีในกามคุณห้าพระเจ้ากุรุรัตทรงสันเสริญความไม่มีกังวลพระมหาสัตว์ได้สดับพระกระแสรับสั่งของพระราชาทั้งสี่พระองค์แล้วกล่าวคาถานี้ว่า พระกระแสรับสั่งทั้งปวงนี้เป็นสุภาสิทธ์ทั้งหมดแท้จริงในพระกระแสรับสั่งเหล่านี้ทุพ ภ, ภาสิทธ์เพียงเล็กน้อยย่อมไม่มีคุณธรรมสี่ประการนี้ตั้งมั่นอยู่ในนรชนใดเป็นดังกำรรเกวียนที่รวมกันอยู่ที่ดุมเกวียนบัณฑิตเรียกนรชนผู้ประกอบพร้อมด้วยธรรมสี่ประการนั้นแลว่าผู้สงบในโลก บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าคุณธรรมสี่ประการนี้เอตานิความว่าคุณชาติทั้งสี่ประการนี้ตั้งมั่นด้วยดีในบุคคลใดเป็นดังกเกียนตั้งรวมกันอยู่ด้วยดีที่ดุมเกวียนฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคล น, นั้นผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ว่าผู้สงบในโลกฉะนั้น พระมหาสัตว์ได้ทำศีลของพระราชาทั้งสี่พระองค์ให้มีคุณสม่ำเสมอกันทีเดียวอย่างนี้เท้าเธอทั้งสี่ครั้นได้ทรงสดับดังนั้นต่างมีพระฮาทัยร่าเริงยินดีเมื่อจะทรงชมเชยพระมหาสัตว์จึงตรัสพระคาถานี้ว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมถึงมีปัญญาดีเข้าถึงธรรม และรู้แจ้งธรรมวิเคราะห์ปัญหาของพวกข้าพเจ้าได้ด้วยดีด้วยปัญญาขอท่านผู้เป็นปราชจงตัดความสงสัยลังเลใจของพวกข้าพเจ้าให้ขาดไปในวันนี้เหมือนช่างทํางานช้างตัดงาช้างให้ขาดไปด้วยเรื่อยอันคมฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมถึง ตวมนุตตโรสิความว่าท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมไม่มีผู้เทียมถึงชื่อว่าผู้ยอดเยี่ยมกว่าท่านย่อมไม่มีคําว่าเข้าถึงธรรมธรรมคูความว่าทั้งเป็นผู้รักษาธรรมและรู้ธรรมคําว่ารู้แจ้งธรรมธรรมวิทูความว่าผู้มีธรรมปรากฏทั่วแล้วคําว่ามีปัญญาดี สุเมโธได้แก่มีปัญญางามคำว่าด้วยปัญญาปัญญายะความว่าศึกษาปัญหาของพวกเราเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของตนแล้วก็ทราบตามความจริงว่าในเรื่องนี้มีเหตุอย่างนี้คำว่าขอจงตัดอัเชเฉชความว่า ขอท่านผู้เป็นปราดโปรดตัดข้อสงสัยของพวกข้าพเจ้าและเมื่อตัดอย่างนี้โปรดทำคำขอร้องของพวกข้าพเจ้านี้ว่าจงตัดความสงสัยลังเลใจของพวกข้าพเจ้าให้ขาดไปในวันนี้ให้สิ้นสุดไปข้อว่าเหมือนช่างทางานช้างตัดงาช้างให้ขาดไปด้วยเลื่อยอันคมฉะนั้นจุนโทยะถา นาคธันตังคะเรนะความว่าขอท่านช่วยตัดข้อสงสัยเหมือนนายช่างทำงาช้างพึ่งตัดงาช้างด้วยเลื่อยฉะนั้นพระราชาแม้ทั้งสี่พระองค์นั้นครั้นตรัดชมเชยพระมหาสัตว์อย่างนั้นแล้วตางทรงพอพระไทยด้วยการพยากรปัญหาของพระมหาสัตว์นั้นลำดับนั้นเทศ ก, กเทวราช จึงทรงบูชาพระมหาสัตว์ด้วยผ้าทุ ก, กุลพัดอันเป็นทิพย์พญาครุฑบูชาด้วยมาลายทองวรุณนาคราชบูชาด้วยแก้วมณีพระเจ้าธ น, นชัยบูชาด้วยวัตถุต่างๆมีโคโนมนับจำนวนพันเป็นต้นพระราชาทั้งสี่พระองค์นั้นได้ตรัสอย่างนี้ว่าท้าสักกะเทวราชตรัสว่าท่านผู้เป็นนักปราช ข้าพเจ้ายินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาจึงให้ผ้าทิพสีดอกบัวเขียวนี้อันปราศจากมลทินเนื้อละเอียดดังควันเพลิงหาค่ามิได้แก่ท่านเพื่อบูชาธรรมพยาครุษบูชาตรัสว่าท่านผู้เป็นนักปราดข้าพเจ้ายินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาจึงให้ดอกไม้ทองนี้อันมีกลีบร้อยกลีบแย้มออกแล้ว มีแกสอนอันแล้วด้วยแก้วนับด้วยพันแก่ท่านเพื่อบูชาธรรมพยาวรุณนาคาราตรัสว่าท่านผู้เป็นนักปราดข้าพเจ้ายินดีด้วยการพยากรปัญหาจึงให้แก้วมณีอันเป็นเครื่องประดับห้อยอยู่ที่คอของข้าพเจ้าอันมีสีงดงามผุดพองหาค่ามิได้แก่ท่านเพื่อบูชาธรรม พระเจ้าธานัญชัยมีพระราชดำรัสว่าข้าพระเจ้ายินดีด้วยการพยากรปัญหาจึงให้โคโนมหนึ่งพันตัวและโคอุสภ ร, ราชจ่าฝูงรถสิบคันเทียมด้วยม้าอาชาในบ้านสวยส6บหกบ้านเหล่านี้แก่ท่านพระราชาทั้งสี่พระองค์มีท้าสักกะเทวราชเป็นต้นครั้นทรงบูชาพระมหาสัตว์แล้ว ได้เสด็จไปยังที่อยู่ของพระองค์ตามเดิมด้วยประการชนิ้จะตุโปสถกันจบ